บัรนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งบรุตตะดัรัตจะตอบคำถามของท่านเหมะกะมานพในตอนสุดท้ายที่ท่านถามว่าขอให้พระจรโมนีได้สัดบอกธรรมะที่เมื่อท่านปฏิบัติแล้ว ไม่ต้องเที่ยวไปในกระแสะของตัณหาทั้งหลายในโลกคือดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนเหตุมากะพระอาหารตะขีนาศผู้เข้าถึงบทของปณิพานเป็นผู้มีสติมีธรรมเหตุแล้วดับแล้วพระหันเหล่านั้น เป็นผู้ไม่ตกอยู่ภายใต้ของภายต้อำนาจของตันหาที่สั้นไปในโลกทุกยุคทุกสมัยซึ่งเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติอย่างสูงสุดที่สำนวนบาลีทั้นใช้คำว่ามีพระราหัตเป็นยอดมุ่งการบรรลุที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาพระอนุตคีณาศพนั้น เป็นการเรียกชื่อพระอริยบุคคลระดับอรหันต์แปลว่าผู้มีอาสะวะอันสิ้นแล้วซึ่งหมายความว่าภายในจิตใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นไม่มีกิเลสที่จะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามแต่ในที่นี้เรียกว่าอาสะวะท่านนี้พระท่านไดบรรลุยานคืออาสะวะขยานแปลว่ายานที่ทาอาสะวะให้หมดไปสิ้นไปเมื่อสบาหมดไปสิ้นไปท่านก็เข้าถึงบท ของนิพพานที่แปลว่าความดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกข์ซึ่งในชั้นของนิพพานนั้นเมื่อกล่าวถึงนิพพานระดับนี้คือระดับสูงสุดท่านจําแนกออกเป็นสองประเภทดืวยกันประเภทแรกเรียกว่าสอุปาติเสสนิพพานแปลว่าดับกิเลสดับทุกข์ได้แต่ชีวิตยังมีอยู่อนุปาติเสสนิพพานดับกิเลสดับทุกข์ แลดับชีวิตคือพูดง่ายๆว่าพระหันที่ตายไป น, นั่นเองแต่ในที่นี้ท่านหมายเอาการดับกิเลสแต่ยังมีชีวิตอยู่พระนเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีสติคาว่าสติเป็นธรรมะที่ใช้ทุกระดับในชีวิตของบุคคลแต่สติในที่นี้หมายถึงสติวิปุละคือสติที่พายบุญเต็มที่เพราะันคว่า เพืะอร่องพลังพลาดหลงลืมของพระหันจึงไม่มีก็ น, นี้พึงดูตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นประธานธรรมสัมมาสัมพุทธะธรรมะเหล่าใดที่รงทรงแสดงเมื่อประชดอายุ36ปีกับที่ทรงแสดงเมื่อประชดอายุ80สปีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความวิปลาสคลาดเคลื่อนไปแต่ประการใดเพราะความภัยบุญแห่งสติของพระองค์เอง พอที่ท่านบอกว่ามีธรรมอันเห็นแล้วนั้นก็ไม่เห็นในที่นี้หมายถึงเห็นธรรมะด้วยญาณที่ว่าเป็นความเห็นตามความจริงซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นความเห็นระดับความคิดเห็นจะเห็นระดับการศึกษาเราเรียนมาหรือการเพ่งพนิพิจาเอา แต่เป็นความรู้ความเห็นเรื่อยานซึ่งเกิดขึ้นในริยะสัตร์ทั้งสี่ประการว่านั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั่นเป็นความดับทุกข์นั่นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ระยานได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้สมุทัยควรละในรถ ค, ควรทำให้แจ้งและมรรคควรเจริญเรยานครั้งที่สามก็ได้เกิดขึ้นว่า ทุกที่ควรกำหนดรู้ตนได้กาหนดรู้แล้วสมุดไทยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทาให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วเมื่อยานบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล3ามยาน3ระดับทั้งนี้ความรู้ในชั้นต่อไปก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้รู้ว่าชาติของท่านสิ้นแล้ว ความหลุดพ้นของท่านไม่กำเริบอีกต่อไปคือความเป็นความหลุดพ้นอย่างแท้จริงเพราะความหลุดพ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นเช่นหลุดพ้นจากกิเลสและจากอารมณ์เมื่อกราดูหยาหยาบจะมีทั้งสามระดับด้วยกันระดับแรกเป็นการหลุดพ้นที่อาจกำเริบได้อีกเช่นว่าเรื่องบางเรื่องในบางโอกาสมีคนพูดมีคนกระทาวันนั้นใจดีไม่โกรธ แต่ว่ามีคนพูดมีคนกระทําในลักษณะเดียวกันนั่นเองในโอกาสอื่นวันนั้นอารมณ์ไม่ดีก็เคยโกรธนี่แสดงเห็นว่าวันแรกก็พ้นได้แต่วันที่สองก็พ้นไม่ได้เป็นความหลุดพ้นที่ยังมีการกําเริบได้อีกการหลุดพ้นอีกประเภทหนึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมาเป็นเพียนทางจิตมีจิตใจกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นมีความทนทานต่ออารมณ์สูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ข้างนอก มารุนแรงก็คุมไว้ไม่ได้เหมือนกันคือกาเริบได้ประการที่สมเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงคือตัดขาดไปเลยวันจิตใจของพระอาราหันต์จึงเป็นความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดที่เรียกว่าเป็นสมุจเจตทวีมุตและก็ทรงแสดงว่าเป็นผู้ดับแล้วซึ่งหมายความว่าดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้น เที่ยวไปดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไม่หวั่นไหวหรือจิตไม่ได้สั้นไปดยอนาจของตันหาในอารมณ์ทั้งหลายและจะเป็นเช่นนี้อย่างถาวรที่แท้จริงนั่นคือหลักชั้นสูงสุดที่ทรงสแสดงแก่ผู้ซึ่งมีวาสนาบารมีสูงอย่างท่านเถรมกะแต่ในขั้นตอนที่ลดตันลงมา ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะมองเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นด้วยความเพียรพยายามของมนุษย์จะทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถสัมผัสผลได้ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาในกรณีของความเป็นขีนาศพที่สมบูรณ์นั้นคือกิเลสหมดสิ้นอย่างสมบูรณ์แต่บุคคลสามารถสัมผัสเส้นทางของพระขีนาศพคือประหัตะขีนาศพทั้งหลาย โดยการพยายามผ่อนคลายบรรเท่าลดละโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องระลึกรู้เหนียวรัง้งจิตใจของตนเอาไว้กำมอาสวะแปลว่าปิกิเลสเป็นเครื่องหมักดองที่จริงคําว่าอาสวะท่านพูดถึงของดองหรือเครื่องดองมีการหมักหมมกันอยู่จะเป็นดองผลไม้ดองเปลือกไม้ดองใบไม้ดองยาหรือดองเหล้าดองสาดองอะไรก็ตาม กิเลสนั้นเป็นนามธรรมอธิบายกันยากตอ น, นเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเรียกกิเลสจะทรงอาศัยสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งคนคุ้นเคยกันอยู่ในสมัยนั้นมาเรียกจะเรียกอาสวะก็หมายถึงเครื่องตอกเรียกกันทะก็หมายถึงเครื่องรอยรัดเรียกว่าโยคะก็หมายถึงเครื่องขังเรียกวสังย์หมายถึงเครื่องผุเป็นต้น ถ้าบุคคลมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมโดยอาศัยรูปธรรมเป็นเครื่องหมายในการเรียนรู้ได้แต่สงใช้ท่าคำในลักษณะนี้อยู่เสมอเกีประเภทอาสวะนั้นท่า น, นจำแนกไว้โดยหลักโดทั่วไปก็เป็นสามมีบางครั้งเป็นสี่แต่สรุปแล้วก็เป็นสามเหมือนกันคือกรมาสวะอาสวะคือกามได้แก่กิเลส ป, ประเภทราคะ มีความยินดีความกำนัดความชอบใจความเพลิดเพลินความอยากความเพ่งเล็งโลภอยากได้เป็นต้นที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ภายในใจทําให้ความใคร่ความพอใจของบุคคลมีความหลากหลายไปตามเชือของกิเลส ท, ที่ตนเก็บเอาไว้บางครั้งก็นํามาเหนียวนึกบางครั้งก็มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก ในชั้นของการปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรงของความรู้สึกในสายนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนให้มองเห็นในแง่ของความเป็นโทษถการตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ตากรุนแรงมากเกินไปก็จะออกมาในรูปทุจริตตารุนแรงน้อยลงไปกว่านั้นก็เผาหลนจิตใจแต่ถ้าหากควบคุมเอาไว้ได้เราก็หน่วยประโยชน์สุขให้ในปัจจุบัน ในแง่ของความหมายสูงสุดแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องถ่ายตอนออกไปพราะในชั้นของความประนีตแห่ง จ, จิตใจอาศัยความมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นที่สงงใช้จำนวนบาลว่ามองเห็นสิ่งที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษคล้ายๆกับมองเห็นยาพิษว่าเป็นยาพิษมองเห็นเชื้อโรคว่าเป็นเชื้อโรค มองเห็นสิ่งเสพติดว่าเป็นพิษเป็นภยัยเป็นสิ่งเสพติดเติมความรู้ความเห็นนั้นเข้าถึงจิตแล้วละเว้นไม่เกี่ยวข้องกับยาพิษไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดต่างๆเป็นตน้นพระพมีพุทธเจ้าซึงมักจะชี้โทษของพวกกามาสะวะหรืออาจจะเรียกว่ากามาราคาเป็นตน้นให้บุคคลเห็นไปรจักแก่ใจอย่างน้อยที่สุดก็ะจะควบคุมพฤติกรรมของตนเอาไว้ แมรู้อำนาจของกิเลสเหล่านั้นแล้วแสวงหามาในทางที่ไม่ชอบธรรมประการที่สองเรียกว่าภวาสวพพะสัพะคือพบได้แก่ความมีความเป็นการพบคือความมีความเป็นนั้นกระจายตัวเองออกไปได้หลายอย่างพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเกิดจากความสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน เป็นของยืนโรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าในชีวิตของบุคคล น, นั้นจะมีส่วนความรู้สึกเหล่านี้ผูกมัดใจจุเป็นตะกรใจของบุคคลทั้งหลา ย, ยุทําทำให้บุคคลไขว้คว้าปรารถนาสแสวงหาสถานะต่างๆเพื่อตนได้เป็นได้มีได้ครอบครองสถานะเหล่านั้น ไม่ได้คำหนึง่งนึกถึงว่าแ ท, ท้จริงสถานะเหล่านั้นก็ดีตนเองก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับสลายไปเป็นธรรมดาแม้จะมีตัวอย่างบุคคลเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอยู่เป็นนั้นมากก็ตามแต่เพราะมีอาสวะเป็นตะกรใจหมักหมมใจอยู่จะทําให้บุคคลมีความปรารถนาไ ข, ขว่คว้าการได้สถานะเหล่านั้น เราถึงกระจายออกไปเป็นรูปของการปรุงคิดคิดปรุงที่ท่านเรียกว่าเป็นสังขารพบไดเปลี่ยนเป็นสภาพของจิตใจที่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆั้นและในสุดก็มาสรุปรวมที่อวิชชาสวะสวาเกววิช า, เ, ชาเพราะในชั้นหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติ ถ้าว่าบุคลพยายามขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ออกไปให้เจือจางลงไปโดยลำดับก็จะสามารถถ่ายทอนความรู้สึกทั้งสองประเภทนั้นให้ผ่อนคลายลงไปก็ให้เกิดการยุติเวรภัยก็ให้เกิดความส ง, งบใจเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ตามลำดับ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเข้าถึงบทของนิพพานคือดับกิเลสและดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งทำให้บุคคลเพิ่มคูณสติสติในการปฏิบัติระดับทางจิตใจนั้นผึงสังเกตว่าจะทรงมีคำเติมไว้ข้างหลังคือไม่ค่อยใช้สติลอยๆจะใช้คำว่าสติมาแปลว่ามีสติ ระลึกทันอารมณ์ทั้งหลายก่อนที่จะทำอะไรระลึกถึงเรื่องราวที่เป็นบทเรียนในอดีตได้สามารถจำแนกเรื่องเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนและในขณะทรรมขณะพูดขณะคิดมีสติระลึกประสานสัมผั์กับคำพูดกับความคิดกับสิ่งที่ตนกระทำไม่มีความเปรอลงลืมพลังพราด และเมื่อทำไปแล้วย้อนระลึกหัวนึกเนี่ยวกลับมาระลึกถึง mm hmm. ก็สามารถระลึกเรื่องราวเหล่านั้นได้ mm hmm. ข้อนี้ mm hmm. เมื่อลองวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงใจคน mm hmm. ก็จะพบความจริงว่าตามปกติแล้วสติของบุคคลมักน้อยหรือมักขาดแม้ mm hmm. แต่การกระทำงานบางเรื่องสติในสามจังหวะ คือก่อนทาขณะทําหลังทํานั้นบางครั้งอาจจะขาดไปถึงสองช่วงด้วยกันเช่นว่าก่อนจะกระทําอาจจะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ขณะทำอาจจะระลึกได้หรืละลึกไม่ได้หรือว่าทาไปแล้วระลึกไม่ได้เป็นต้นพระพุทธศาสนาจึงมีหลักการที่จะเพิ่มพูนความมีสติขึ้นไปการปฏิบัติธรรมจึงเน้นที่สติ แม้แต่การสมาทานศีลรักษาศีลไปก็เน้นที่สติให้มีความระลึกรู้อยู่เสมอว่า mm hmm. เวลานี้ขณะนี้ตนมีศีลตนได้สมาทานศีลมาแล้วภารกิจของตนนั้นจะต้องรักษาศีลเอาไว้เวลาจะทําจะพูดอะไรก็นึกว่าผิดศีลหรือเปล่าถ้าผิดศีลสติก็จะปิดกั้นการกระทําคําพูดเหล่านั้นไว้ ให้แสดงออกมาจนเป็นกันละเมืดสิทธิ์เวลาจะกระทาอะไรก็สามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกจากใจได้เช่นว่าเดินไปทำสัตว์ตายแล้ว ห, หยิบของทำสัตว์ตายถ้ า, าว่าสติอ่อนไปไม่สามารถจะเหนียวนึกได้ว่าเอผิดศีลหรือไม่ผิดศีลแต่ถ้ามีสติระลึกบุคคลก็จะระลึกได้ ถึงองค์งประกอบของศีลปาณ n a ธิปัตยถึงท่านแสดงว่าศีลกับป arna ธิปัตยจะขาดได้นั้นก็ต้องมีองค์งประกอบคือสัตว์นั้นมีชีวิตตนรู้วสัตว์มีชีวิตตั้งคิดคิดจะฆ่าทําความพยายามที่จะฆ่าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นแต่ในกันณี้องความเผลอเร่ลงเหล่านั้นหรือความไม่รู้เหล่านั้น องประกอบของศีลไม่ครบเพราะงั้นสีลไม่ขาดสามารถที่จะขจัดความเครืบแปรงสงสัยออกไปได้ในขณะนั้นๆไม่เก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้คือสลัดอารมณ์ที่เป็นข้าศึกออกไปได้มากและสติก็ใช้ไปในการระลึกเพื่อ น, น้อมนึกให้เกิดความส ง, งบขึ้นภายในจิตใจตำหลักของสมารสติหรือการระลึกในสติปัฏฐานทั้งสีประการ ใการกายเวทนาจิตธรรมประการต่อไปนั้นคือการมีธรรมอันเห็นแล้วซึ่งข้อนี้จะพบว่าโดยหลักสมบูรณ์ก็คือเห็นอริย ส, สัจ4ียย่โดยยาน้นกล่าวแต่ในชั้นของการดำรงชีวิต่ากับบุคคลพยายามปรับจิตของตัวเองให้ยอมรับถึงความจริงในกลุ่มของทุกขสัจว่า เป็นปริญญาแต่ประธรรมคือธรรมะที่จะต้องกําหนดรู้เอาไว้ว่าความจริงและแก่ก็เป็นอย่างนั้นชาติความเกิดชราวความแก่บรณะความตายเป็นธรรมดาประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นดารงอยู่แตกสลา ย, ปายไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยวันเวลาเกี่ยวข้องกับความแก่ความตาย จะเป็นของตนหรือของบุคคลอื่นก็ตามจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ดลดนั้นและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมองได้อย่างชัดเจนว่าจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกข์จรเข้ามาความโศกความรําไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นต้นนั้นเกิดจากใจไปยึด เพระงั้นถ้าหากว่าบุคคลมองความจริงในแง่ของธรรมดาเรื่องทั้งหลายต่างคราวจะเกิดก็ต้องเกิดทั้งคราวดับก็ต้องดับไปสิ่งอะไรเมื่อเกิดขึ้นมาได้สิ่งนั้นก็ดับได้มองตามหลักในแง่ที่เรียกว่าไม่ผ่านพ้นไปได้หรือมองในแง่ที่ทรงสอนแล้วก็เน้นในเรื่องกลุ่มเหล่านี้ก็คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ สภาวะเป็นอย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ชีวิตของคนเราต้องประสบทุกทรมานเดือดร้อนเพราะความไปยึดมั่นถึกมั่นในสิ่งทั้งหลายมากเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้บ้างบุคคลก็จะได้ความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้มองในแง่ของธรรมดาและให้พิจารณาอยุดหนึ่ ง, น, งนั้นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งมองในแง่ของผลทั้งหลาย เพราะทุกนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุพ่าผลทั้งหลายนั้นมาจากเหตุเราจะเอาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาสิ่งต่างๆได้ตลอดไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตของตนก็จะมองว่าสิ่งนี้คือผลที่เกิดมาจากเหตุเมื่อเกิดที่ตนเหตุนั้นก็ต้องอยู่ที่ตนแเ้วเคิื่มโยงเข้าไปหาเหตุเพื่อขจัดเหตุบางอย่างสร้างเหตุบางอย่างขึ้น แต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องของเหตุที่ต้องกระจัดในด้านของสมุทัยศาสตร์นั้นคือการมองเห็นโทษของตัณหาที่บังคับใจของบุคคลให้สั้นไปให้เล่นไปให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายก็เพียนพยายามบรนเทาตัณหาในอารมณ์อย่างน้อยที่สุดตัณหาในลักษณะที่ฝืนธรรมดาคือความเป็นไปไม่ได้และมีความเสี่ยงมาก คนนี้จะสังเกตได้ว่าตัณหาในสลากกินแบ่งก็ดีตัณ ห, หาในดอกเบีย้ยแชร์ดอกดอกแชร์ก็ดีหรือตัณหาในผลประโยชน์ที่เกินความจริงที่มีลักษณะเสี่ยงเสียนถ้าว่าบุคคลมองในแง่ความจริงพยายามเทียบเคียงก็สามารถที่จะลดกระแสตัณหาที่ไม่สมเหตุสมผลลงไปได้การใช้ชีวิตในลักษณะเสี่ยงเสียมซี การใช้ชีวิตในลักษณะที่อาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิต์ตดนบรดาก็จะลดลงจะประกอบบาเพ็ญตนใช้ชีวิตของตนให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อได้ประกอบเหตุอะไรลงไปที่เป็นเหตุแต่งความเสื่อมเวลาประสบความทุกข์ซึ่งเป็นผลมาจากกิจเหล่านั้น ก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับผลเช่นนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองนอกจากจะเป็นบทเรียนที่ให้เกิดความหลับจําให้เกิดความสํารวมระวังแล้วบุคคลจะไม่โยนความคิดทั้งหลายไปที่คนอื่นที่สังคมที่สิ่งแวดล้อมที่พ่อที่แม่ที่าศาสนาประเทศชาติเป็นตน้นจะทําให้ดํารงตนอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มของทุกษสัตว์กับกลุ่มของสมุทัยศสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งส่วนเหตุส่วนผลแต่การจะลดละการจะดับจริงๆนั้นก็ทำได้ยากในชั้นการนำรงชีวิตท่านก็สอนให้รู้เท่าทันอารมณ์กล่าวว่าตกไปสู่กระแสแห่งตันหามีลักษณะที่จะรุนแรงก็ลดละบันเทาเอาไว้คือพยายามควบคุมความรุนแรงของตัหา ให้ไปในทิศทางที่เหมาะที่ควรได้ก็จะได้ความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจชั้นหนึ่งในเรื่องของนิโรธสัจคือความสงบระงับดับเพลิงกิเลสได้เพลงทุกข์ไม่มีเครื่องเสียดแทงคําว่านิโรธแปล ว, ว่าปราศจากเครื่องเสียดแทงหรือมีเครื่องเสียดแทงออกแล้วเป็นการพูดทานองคล้ายๆกับคนถูกน้ำำํามตําหรือผีกรัดหนอง แล้วก็เอาน้องออกหรือถอดน้ำออกไปอาการเสียดแทงก็ออกไปหรือคนป่วยที่ถูกโรคเสียดแทงหายจากโรคนิโรธจะเป็นคำสมมติบัญญัติเรียกเหมือนกันอาศัยรู ป, ปรธรรมคืออาการที่ชาวบ้านเห็นๆกันอยู่ว่าอะไรก็ตามถ้าถูกเสียดแทงก็จะมีความเจ็บปวดรวดราวจิตใจของบุคคลที่ถูกกิเลสเสียดแทงก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นจึงทรงบัญญัติเรียกนิพพานโดยในยะหนึ่งวันนิโรธ ที่แปลว่าความดับทุกข์ลักษณะของความดับทุกข์ในความหมายที่สมบูรณ์นั้นก็คือจิตที่ปราศจากตัณหาสามารถสละทายถอนบรรเทาระ ง, งับดับตัณหาเหล่านั้นออกไปได้นิโรธจึงเป็นเป้าหมายเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความสงบเรียกว่าเป็นอิทธิผลที่บุคคลมุ่งมา่ปรารถนาในการดำรงชีวิตซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วว่า คนนั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุขเป็นรถเป็นเด็เพียงเป้าแต่ น, นั้นเด็กใกล้กล้ ก, ลกับผลไม้มันจะต้องเกิดขึ้นจากต้นไม้แต่บุคคลต้องการให้มีผลไม้มากๆก็ต้องปลูกที่ต้นไม้แล้วก็มองไปที่เหตุแต่งความสุขเหตุแต่งความเจริญก็คือองค์อาริยมรซึ่งก็หมายความว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ธรรมะและนามาใช้ ให้เป็นประโยชน์ตามสมควรแกร่กรณีนั้นนั้นถ้าเป็นการแก้ปัญหาก็จะแก้ปัญหาตรงกับสมุดฐานของปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาแล้วสร้างปัญหาตำนองคล้ายๆกับปัญหาภายในครอบครัวถ้ า, าว่าแก้ปัญหาไม่เป็นแทนที่จะแก้ปัญหาก็กลับสร้างปัญหาให้มีความรุนแรงมีการหักหันในการทําลายล้างมีความแตกแย ก, กมากยิ่งขึ้น แต่ถ้แก้ที่สาเหตุของปัญหาได้ก็เป็นการลดปัญหาที่มีอยู่แล้วดับปัญหาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยุติปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นกันใหม่เป็นการนับหนึ่งกันใหม่ช่วยให้สบายใจยด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลักการของอริยศาสตร์จึงเป็นสูตรสําเร็จรูปที่อาจจะตั้งปัญหาเป็นโครงสร้าง ในการขาจัดปัดเป่าปัญหาในการตรวจในการบําบัดโรคเป็นต้นทุกนั้นคือตัวปัญหาสมุทัยของคือเหตุเกิดของปัญหานิโรธคือความไม่มีปัญหามรคือหลักการวิธีการในการที่จะขจัดสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ถ, ถ้าหากว่าบุคคลดารงชีวิตได้เช่นนี้นก็เข้าสูตรของสัพริสตธรรมที่เรียกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นรู้จักประมาณเป็นต้น การเห็นธรรมในระดับนี้ก็จะช่วยให้สมบัติคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปมีความสุขความสงบประการต่อไปคือที่ทรงใช้ควาว่าดับแล้วที่จริงก็คือนิพพานคำว่าดับแล้วจึงเป็นผลที่บุคคลสามารถน้อมนำมาใช้ได้ในชั้นต่างๆเช่นตัวอย่างว่า เวลาเกิดความโกรธขึ้นเพราะหล่นจิตใจความริษยาเกิดขึ้นเพราะหล่นจิตใจแตาว่าบุคคลสามารถดับจะได้อย่างน้อยก็ดับในขณะนั้นนั้นก็ชื่อว่าได้สัมผัสคําว่าดับแล้วในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งเป็นท่าทางกนานิพพานคือนิพพานที่เราที่ดับได้โดยองค์มันนั้ น, น, นเป็นนิพพานที่เราเห็นได้ในขณะนั้นนั้นเป็นการลดความเสียดแทงได้ในขณะนั้นนั้น ถึงก็หมายความว่าข้อบัญญัติในชั้นนี้ถ้าบุคคลรู้จักดับใชบ้างแล้วก็แล้วกันไปช่างก็เถอะไม่เป็นไรความคิดเหล่านี้เมื่อเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจบ่อยๆเข้าจะเหมือนกับอากาศที่บริสุทธิ์หรือจะเหมือนกับอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไ ป, ไปบ่อยๆมีการเก็บการสะสมเข้าไปบ่อย จะก่อให้เกิดกำลังเป็นภูมิต้านทันโรคกาจัดโรคเสริมสร้างสุขภาพกายของบุคคลให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโรคภัยบางอย่างก็น้าที่จะเบียดเลียนได้เพราะภูมิต้านทันโรคสูงจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องการพยายามดับนั้นก็ดับได้บางดับไม่ได้บางแต่ก็ดีกว่าไม่ดับซะเลย แต่เมื่อดับบ่อยๆ บ, บุคคลจะได้อัศรัท่ะคือความยินดีความพอใจในความสงบเย็นเหล่านั้นมันเป็นการเสริมสร้างสรรชาอุตสาหะให้บางเกิดขึ้นของพระหัตกินาพนั้นเป็นการดับที่ถาวรแต่ที่จริงท่านก็เริ่มมาจากไม่ถาวรก่อนเมื่อผู้ใครทําดำเนินไปตามเส้นทางสายเดียว ก, กับท่านย่อมจะสัมผัสผลได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบททัติแห่งตน ตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืดต่อไป